MP ็สแผ่นที่ส0ให้กติธรรมหัวข้อว่าเมื่อโลกสันนิวาตมืดมิดปิดตาทำไมเจ้าไม่แสวงหาที่พึ่งเล่าคำนี้คือพระพุทธเจ้าตรัสกับนางวิสาขาหรือบริวารของนางวิสาขาที่ไปดื่มสุราดื่มสุราเข้าไปกล่าบพระพุทธองค์โลกสันนิวาตมืดมิดปิดตา คำว่าโลกคำนี้มีแต่เรื่องแก่เจ็บแล้วก็ตายไม่มีอะไรที่นอกเหนือจากนี้ถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายน้อยใหญ่มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกขนาดไหนเกิดมาในโลกนี้แล้วมีแต่แก่เจ็บตายคำว่าตายคำนี้ไม่เป็นที่พึงปรารถนาของสรรพสัตว์ทุกระดับทุกชนชั้น เพราะนั้นจึงว่ามืดมิดปิดตาแต่พระพุทธองค์ได้ไปแ ส, สวงหาทางที่ไม่ตายไปพบทางที่ไม่ตายในวันเดือนหกเพนที่โคลนต้นโพเมื่อสองพันห้าร้อห้าสิบกว่าปีให้หลังเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้ตรัสเป็นคำนี้ขึ้นมาว่าเมื่อโลกสันนิวาตมืดมิดปิดตา ทำไมเจ้าจึงไม่สแสวงหาที่พึ่งเราที่พึ่งอันกเกษมก็คือยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยึดพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อยึดแล้วก็ศึกษาในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรในพระธรรมคำสอนนั้นพระพุทธองค์สอนให้รู้จักอันดับแรกสาหรับคารวาสให้เสียสละให้มีกฎระเบีย ให้มีศีลจากนั้นก็ให้ทําจิตใจให้สงบจากนั้นก็นําให้พิจารณาไตรตรองเหตุและผลมันเป็นขั้นตอนในการเป็นอยู่ของพวกเราถ้าว่าพวกเราอยู่ด้วยกันไม่มีน้ําใจพวกเราจะหาความสงบผาสุกไม่ได้ถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันไม่มีกฎรละเบียบก็จะหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ถ้าจิตใจของเราปุงฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเว ล, เวลา ก็จะหาความสงบสุขไม่ได้ถ้าพวกเราไม่มีปัญญาไม่รู้จักเหตุและผลสิ่งควรไม่ควรพวกเราก็จะหาความสงบสุขไม่ได้เพราะนั้นจึงให้คติธรรมหัวข้อว่าโลกสันนิวาตมืดมิดปิดตาทำไมเจ้าจึงไม่แ ส, สวงหาที่พึ่งเล่าเพราะนั้นพวกเราขอให้แ ส, สวงหาที่พึ่งทางด้านจิตใจของพวกเราคือมรรคผล ศีลสมาธิปัญญามักแ8ดนี่แหละที่จะเดินไปสู่มักผลนิพพานได้เมื่อพวกเราเดินทางไปสู่มักสู่ผลเป็นอริยบุคคลพระโสดาพระสกทาคาพระนาคาอรหันแล้วพวกเราจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขอนันตการด้วยอํานาจคุณพระศีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครอง ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกประการเทิน